หัวข้อสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมซับซ้อนดังที่ทราบแล้วว่าเราได้อุปกรณ์การเล่นเกมในชาติใหม่มาจากวิธีเล่นเกมเก่าในชาติก่อนแต่ละชาติเป็นเกมที่ไม่มีทางเล่นกันง่ายๆต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังซับซ้อนยากที่จะเล่นกันแบบตรงไปตรงมาผลที่สะท้อนออกมาให้เห็นทางอุปกรณ์การเล่นในเกมใหม่ จึงอาจแปลกประหลาดพิสดารได้ไม่จำกัดเช่นกันดังเช่นเหตุปัจจัยให้ได้อุปกรณ์เล่นเกมเป็นร่างชายหรือร่างหญิงนั้นอาจน่างุนงงว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่เพราะ บ, บางคนใจเป็นชายแต่กายเป็นหญิงขณะที่ชายบางคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นหญิงอยู่ตลอดเวลาต่อข้อสงสัยนี้ ถ้าทำความเข้าใจว่าพื้นฐานของกรรมอันก่อให้เกิดรูปชายรูปหญิงเป็นอย่างไรก็จะอ่านเกมออกได้ง่ายขึ้นกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดรูปชายคือการสั่งสมเจตนารเริ่มทำบุญด้วยตนเองมีความหนักแน่นและคงเส้นคงวาตั้งใจไปในงานดีอันใดแล้วต้องทำให้สำเร็จไม่ย่อท้อกลางคัน มีความพึงใจในความแข็งแกร่งแห่งเพศ ช, ชายการติดใจอยู่ในกรรมเช่นนี้จะก่อให้เกิดรูปชายที่สมบูรณ์ในชาติถัดมาส่วนกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดรูปหญิงคือการสั่งสมเจตนาร่วมการบูญการกุศลที่ตนเห็นคล้อยตามว่าดีว่าชอบแต่ไม่อาจหารพอจะออกนำไม่กล้าริเริ่มด้วยตนเอง หรือถ้าจะต้องเริ่มการกุศลด้วยตนเองก็มีความวันไหวแต่กระนั้นก็มีจิตใจอ่อนโยนและพึงใจในความสำเร็จแห่งบุญด้วยอารมณ์อันงดงามแบบหญิงการติดใจอยู่ในเกมเช่นนี้จะก่อให้เกิดรูปหญิงที่สมบูรณ์ในชาติถัดมาถ้าว่าผู้เล่นเกมกรรมมีมากและแต่ละคนก็เล่นตามใจชอบดังนั้น จึงอาจมีบางคนเริ่มทำบุญด้วยความหนักแน่นแบบชายแต่ยังติดใจในความเป็นหญิงซึ่งเพียงด้วยความติดใจนั่นเองก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เกิดเป็นหญิงได้และด้วยเหตุปัจจัยทางความหนักแน่นแห่งบุญที่มีก็จะสะท้อนออกมาในรูปของความหน้าพิสมัยหรือความเข้มแข็งเกินธรรมดาเป็นหญิงที่ดูมีความเป็นผู้นําได้ทัดเทียมชายเป็นต้น สำหรับความเป็นชายอวัยวะเพศคือผลกรรมที่ตกแต่งให้เกิดปมเขื่องหรือปมด้อยมีผลกับความเชื่อมั่นตลอดจนพฤติกรรมทางเพศกับทั้งเป็นฐานความรู้สึกในช่วงวัยต้นๆว่าตัวของตนที่ปรากฏในโลกนี้ยิ่งใหญ่หรือต่ำต้อยอวัยวะเพศชายที่เล็กเกินควร สะท้อนถึงการเป็นผู้เคยริเริ่มกิจอันเป็นบุญอย่างชายแต่ถอดใจขาดกลัวล้มเลิกความตั้งใจอันดีหลบลี้หนีหายไปแบบเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าหรือเป็นพวกชอบเอาตัวรอดห่วงแต่ตัวเองกระทั่งกล้าทิ้งครอบครัวทิ้งพักพวกหรือกระทั่งขายชาติเพื่อประโยชน์สุขของตนตามลําพัง ความขาดกลัวไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่และศักดิ์ศรีให้ความรู้สึกลีบเล็กอย่างไรอวัยวะเพศในชาติถัดไปก็สะท้อนออกตามนั้นส่วนอวัยวะเพศชายขนาดใหญ่เกินควรชนิดที่มโหรานหน้าเกลียดเกิดจากกรรมที่เคยชอบโอ้อวดชอบให้ใครต่อใครคิดว่าตนยิ่งใหญ่เกินจริงทำดีหวังเอาหน้าเป็นหลักประเภท ถ้าไม่เป็นข่าวก็ไม่ยอมควักกระเป๋าและควักทีก็ควักก้อนใหญ่ด้วยเจตนาซื้อความตกตะลึงของชาวประชาผิด ก, กันกับอัตราส่วนของน้ำใจที่ไม่เคยอยากส่งเคราะห์ใครจริงแบบนี้ชาติต่อมาก็ต้องเป็นเจ้าของสัสดส่วนที่น่าขยาดมากกว่าที่จะน่าภูมิใจในตนเอง